กราบบูชาพระตัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพระเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมอยางพระจันทร์สุรินพระจันทร์ออดขอโอกาสเพื่อนสัตามิกเจริญพรเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนะก็เป็นกิจวัตรประจาวัน นะของวัดป่าสุกโตเรานะทุกเช้าทุกเย็นนะก็มาไหว้พระสดมนนะก็เป็นการเรียนรู้นะจากสิ่งที่มีอยู่ในหนังสือสดมนนะแล้วก็ได้น้อมนำเอาสิ่งที่เราได้สาธยายนะนำมาประพฤติปฏิบัตินะก็เรียกว่าเป็น ระบบการศึกษาะระบบการเรียนรู้ของวัดป่าสุกโตที่เรียกว่าเป็นสถาบันสติปทา น, นหลังจากที่เราได้สาธยายมนสวดม น, นก็นำสิ่งนี้ไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยหลังจากเราไหวพระสวดม น, นจิตใจเราก็ แชมชื่นเบิกบานนะบางคนนะจจะง่วงเหงาง่วงนอนนะเราได้สาธยายมนได้ออกเสียงเปล่งเสียงนะตรงนี้ก็ถือว่าทำให้เราตื่นตัวขึ้นมานะช่วงเวลาตีสี่3ีสามถึงตีห้าเนี่ยเขาบอกเป็นพลังชีวิตเนี่ยมันจะอยู่ที่ปอดเพราะฉะนั้นเรามาสวดมนเนี่ก็ถือว่าเป็นการบริยานปลอด ปอดไปพร้อมกันนะเรียกว่าได้บริหารกายด้วยได้บริหารจิตไปพร้อมกันด้วยเพนะราะนั้นคนที่ได้มีโอกาสนะมาไหว้พระสดมนนะก็ได้บริหารทั้งสองส่วนนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะจิตใจของเราก็มีพลังมีกาลังนะในการที่เราจะดำเนินชีวิตนะในช่วงต่อไป นะไปทำกิจวัตรประจำวันนะไปทำสิ่งต่างๆนะที่เป็นส่วนสำคัญที่เราจะทำการศึกษาหรือการเรียนรู้นะของวัดป่าสุขโขโตเราก็ไม่มีอะไรมากนะนอกจากการที่เรามาเรียนรู้นะตัวเราเองนะก็คือเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจนะซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ตัวมากๆ เรามีตาเนื้อนะที่จะมองโลกข้างนอกนะเรียนรู้เรื่องโลกข้างนอกจะเป็นธรรมชาติของป่าไม้อากาศสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะเรื่องเหล่านี้เราก็อาศัยตาเนื้อนะสองตานะที่เรียนรู้โลกข้างนอกแต่เรื่องของกายเรื่องของใจเนี่ยมันต้องอาศัยตาใน นาะตาในก็คือความรู้สึกตัวนะมีคนก็เขียนก่อนไม่ดีเหมือนกันนะบอกโลกภายนอกกว้างไกลใครๆ ร, รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมจะมองโลกภายนอกมองออกไปจะมองโลกภายในให้มองตนนะนี่เป็นกรอนที่พี่มา น, นิตนะชมรมพุทธจุฬา เขาเขียนไว้ส0 4สิบสิปีที่แล้วนะก็จำอาอกมาก็เออก็เป็นกรอนที่ดีเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เรากลับมาย้อนดูนะเรามีตาสองตาคือตาเนื้อเรียนรู้โลกข้างนอกนะเรียนรู้ไปสารพัดนะปัจจุบันนี้เราเรียนรู้ไปถึงจักรวาลไปไกลมาก ตอนนี้จีนสามารถที่จะทำกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สามารถที่จะมองไปไกลมากๆนะนั้นเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะซึ่งก็ค้นคว้ากันตลอดเวลานะแต่มีตาในคือความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราจะมองเข้าไปในกายในใจของเรานะซึ่งอันนี้ก็เป็นจักรวาลเหมนกะก็เรียกว่าจักรวาล น, น, น้อยๆที่อยู่ในตัวเรา จั ก, กรวาลข้างนอกจั ก, กรวาลข้างในเนี่ยเหมือนกันเลยนะมันอยู่ในกฎของธรรมชาติอันหนึ่งก็คือมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะไม่คงทนถาวรแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจของเรานะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยก็ค้นพบเรื่องนี้นะซึ่งพระเจ้าเนีได้ค้นพบมาตั้งแต่ 2,600 กว่าปีที่แล้วนะซึ่งเป็นเรื่องที่มาสจัจรร์มากนะเราเป็นชาวพุทธเนี่ย <c oughs> เราก็ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้แต่การเรียนรู้เข้าไปในจิตในใจเนี่ยมันจะอาศัยความคิดไม่ได้นะต้องอาศัยความรู้สึกตัวนะที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะนะเป็นกุญแจสาคัญนะที่อยากไขเข้าไปดูภายในจิตในใจของเรา ทีนี้รูปแบบของการเรียนรู้หรือการศึกษาปฏิบัติก็มีหลายรูปแบบนะที่มีอยู่ในประเทศไทยก็มีสักห้ารูปแบบนะจะเป็นอานาพนาสติกก็ดีพุทโธก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีสัมมาหลังก็ดีหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวนะที่เราได้ฝึกกันที่วัดป่าสุกโตในส่วนของการเคลื่อนไหวเนี่ยนะ ก็จะแตกต่างไปสวิธีที่กล่าวมาความแตกต่างนั้นแตกต่างกันในรูปแบบแต่ว่าในเนื้อหาหรือเป้าหมายร่วมกันตรงกันตรงกันที่ว่าให้เรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวใจที่มันเคยหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์ทำให้ดีใจเสียใจทำให้โลภทำให้โกรธทำให้หลง นะทําให้งุดหงิดลำคาญนะหรือบางคนนะคิดฟุ้งซ่านนะจนนอนไม่หลับมีความเครียดนะแล้วไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะตรงนี้เนี่ยเมื่อเราได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวก็คือให้ใจเนี่ยมันมาอยู่กับกายซะนะให้ใจมันมีสติอยู่กับกายซะไม่ให้ใจมันหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์ ตรงนี้เราก็จะออกจากความทุกข์ซึ่งเกิดจากความคิดได้ความทุกข์ในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้ทันความคิดปรุงแต่งโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดที่เรียกว่าลักคิดก็ะด้ขโมยคิดกระดะวันหนึ่งวันหนึ่งไอ้ความลักคิดหรือขโมยคิดเนี่ยโอ้โหมันมากกว่าไอ้ความตั้งใจคิดความตั้งใจคิดนั่นก็คือ สิ่งที่เราใช้ในการทำการทำงานนะเมื่อเราใช้เสร็จเราก็วางนะตรงเนี้ยเพราะนั้น <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเราจเจนเลยว่าการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะเป็นเรื่องที่เราสามารถจะทำได้แล้วเราก็สามารถทำได้ในทุกกิจกรรม อย่างที่เราสาธยายมนมหาสติปฐานสูตรหมวดกายไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าการที่เราทําความรู้สึกตัวเนี่ยนอกจากเราจะทําในรูปแบบการยกมือสร้างจังหวะการเดินจงกรมเราก็สามารถจะทำได้ในการกินในการเด่มในการเคี้ยวในการลิ้มในการนุ่งหม่มนะ น, นั่นก็จะว่าสังคติ ในการทรงบาตรนะก็คือการไปบินทบาทก็ดีการตักอาหารก็ดีการขบฉันก็ดีนะล้างหน้าแปรงฟันเราก็รู้สึกตัวได้นะอุจจาระปัสสาวะก็รู้สึกตัวได้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเพียงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามักจะทำไปตามความเคยชินนะเรากินไปตามความเคยชิน กินไปคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจการเมืองนะคือเราเคี่ยวข้าวนะ่แต่ใจเราไม่อยู่กับการเคี้ยวอ่ะแต่ใจเมื่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เดี๋ยวจะต้องไปทำมันนั้นเดี๋ยวจะต้องไปทำมันนี้พูดง่ายๆใจมันไม่ได้อยู่กับกายใจมันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้กายมันนั่งกินข้าวอยู่นะแต่ว่าใจมันไปไหนไม่รู้ นะอย่างเงี้ยสภาพแบบเนี้ยก็เรียกว่าคนใจลอยนะซึ่งตรงเนี้ย <c oughs> ตั้งแต่เด็กมาแล้วเราไม่เคยฝึกเมื่อไม่เคยฝึกเนี่ยมันก็สั่งสมให้เราเคยชินเคยชินที่จะหลงไปกับความคิดเคยชินที่จะลอยไปกับความคิดใจไม่อยู่กันกับตัวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันก็เป็นเป็นจุดอ่อนนะบางทีทำให้คนเป็นเป็นคนขวัญอ่อนก็ได้ อะไรนิดอะไรนะ่ก็ตกใจเอาง่ายๆเพรานะะนั้นตรงนีนะ้เรียกว่าขวัญอ่อนนะขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราฝึกฝนะึกให้ใจมีสติอยู่กับกายนะไม่ให้ใจมาหลงไปกับความคิดนะใจเราก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวนะตรงนี้ถ้าเราทำให้บ่อยๆทำจนเป็นนิสัยเนี่ย ตาในคือใจที่มันมันรู้สึกตัวได้เนี่ยมันจะเริ่มเห็นรายละเอียดรายละเอียดของกายหยับหยาบกันนะเช่นการเคลื่อนการไหวคำคำไม่เห็นในที่นี้คือมันรู้มันระลึกรู้นะมันไม่ได้เห็นแบบตาเนื้อนะ่ะเป็นความระลึกรู้เราเคลื่อนเราไหวนะหรือเราปวดเราเมื่อยนะมันก็จะเห็นมันก็ระลึกรู้นะ มันร้อนมันหนาวนะมันก็ระลึกรู้สิ่งเหล่านี้หรือแม้แต่กลิ่นดอกไม้ป่าอ่อนๆนะในช่วงเช้านะมันลอยโชยมานะเราก็ระลึกรู้ได้เสียงมแมลงกรีดปีกร้กองในตอนกลางคืนหรือบางทีนะสิ่งที่เราสนใจอย่างเมื่อคืนถ้าเราปิดไฟมืดๆเราจะเห็นหิ่งห้อยนะมันบินนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอยู่ในเมืองเราไม่มีโอกาส ได้ได้สัมผัสเพราะนั้นสติที่ได้รับการพัฒนาแล้วนะมันก็จะกลายเป็นสติจากสติสา ม, มัญสติตามสัญชาตญาณก็จะเป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่มีที่ตั้งนะที่ตั้งก็คือกายที่มันเคลื่อนมันไหวนะั่นแหละตรงนี้เมื่อเราเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายของเรานะในเวลาเดียวกันเนี่ย นะมันก็เริ่มไปเห็นความพอใจไม่พอใจนะความสุขความทุกข์ความดีใจเสียใจความสงบความฟุ้งซ่านนะนี่ก็เป็นอาการของจิตนะอาการของใจนะมันที่แสดงออกมาใหม่ๆเราก็ไม่เคยรู้หลักนะเราก็ลำคานมันคิดอะไรกันนักหนาฟุ้งซ่านเหลือเกินนะมาปฏิบัติเนี่ยนะคิดว่ามาปฏิบัติแล้วมันจะเงียบๆไม่ต้องคิดอะไรนะ ที่ไหนได้โอ้โหมันฟุ้งขนาดหนักเลยอันนี้มันของเก่านะของเก่าที่มันสั่งสมอยู่ในจิตไร้สำนึกกันแลมันแสดงมันฟุ้งออกมาเพราะนั้นการเจริญสติการที่เรามาเคลื่อนมาไหวเนี่ยมันเป็นการกระทุ้งกระทุ้งเขย่านะสิ่งที่มันหมักหมมอยู่ในจิตในใจมันเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆออกมาแล้วลองดูเถอะเรื่องราวเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่เราทามาตั้งแต่อดีตนั่นแหละจะดีบ้างจะร้ายบ้าง นะไม่ๆมันจะเรื่องไม่ค่อยดีอะเรื่องร้ายๆอะเราทําอะไรผิดไว้อะมันจะแสดงออกมาเลยนะเมื่อมันแสดงออกมาเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะเราแค่รรับรู้มันแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปห้ามมันไม่ต้องไปใส่อ่าให้ความสนใจมันเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอนะ่ตรงนี้เขาเรียกว่าการชําระจิตนะชำระจิตชําระใจ ในโอวาทปาธิโมกพูดถึงว่าละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ละชั่วทำดีเราก็ใจทำได้ยังไงแต่ชำระจิตเราไม่ค่อยเข้าใจนะต่อเมื่อเรามาเจริญสติตตรงนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วอ๋อเนี่ยมันสิ่งหมักหมมในใจนะมันหนักอกหนักใจมันบางทีก็ถอนหายใจเฮือกมันไม่รู้เป็นยังไงนะมันทุกข์อยู่ในใจแต่มันไม่รู้จะแก้ยังไง แต่พอเรามาฝึกฝนอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันหมักหมมอยู่ในใจมันก็ถูกชำระล้างนะวันแรกๆนะสําหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะโดยเฉพาะคนนี้กําลังจะมาบวชนะก็ได้มีโอกาสสนทน า, นาพูดคุยกันบอกโอ้ยวันแรกมันง่วงขนาดหนักเลยนะฟุ้งซ่านมากเลยนะแต่พอเราพยายามที่จะทําให้มันต่อนเนื่องนะทําในรูปแบบเยอะๆนะวันที่สองเออเบาขึ้นนะ แต่ก็ไม่ได้หายไปหรอกความคิดที่มันเคยฟุ้งซ่านนะเราเคยหลงไปกับมันเนี่ยเออเราก็รู้ทันมันนะมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้นะเออยิ่งคิดก็ยิ่งรู้เพราะฉะนั้นหลวง่เทียนนั้นบอกว่าไม่ต้องไปห้ามความคิดแต่ก็ไม่ตามความคิดนะมันคิดขึ้นมารู้ทันแล้วกลับมารู้เนื้อรู้ตัวที่กายเคลื่อนไหวเรายกไม้ยกมือเราเดินจงกรมเนี่ยนะเหมือนเราสแตนบายฟุกเวิร์ มันนักมวยนะเต้นฟุกเวิร์กไว้พอความคิดมันแวบขึ้นมาเราก็ไม่ตามมันกลับมาอยู่ตรงนี้การทําอย่างนี้ทําบ่อยๆมันจะทําให้พลังของความคิดมันอ่อนตัวลงและพลังของความรู้สึกตัวมันจะเข้มแข็งขึ้นนะซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ เ, เรียกว่าทดแทนกันนะเหมือนกับว่าศาลานี้มันมืดเนี่ยเราจะไล่ความมืดไล่มันไม่ได้ แต่วิธทีทำก็คือเปิดไฟซะเปิดไฟสว่างความสว่างก็จะไล่ความมืดไปเหมือนความคิดเหมือนกันเราไม่อยากให้มันคิดนะเราไม่อยากอาให้มันมายุ่งกับเรามากเราจะไปไล่มันไม่ได้หรือบางคนใช้ความคิดไล่ความคิดมันก็ยิ่งไปกันใหญ่มีวิธีเดียวคือกลับมารู้สึกตัวการกลับมารู้สึกตัวนี่แหละนะมันจะเข้าไปทดแทนความคิด ใจเนี่ยมันจะรับได้ทีละอย่างถ้าเราหมกมุ่นคุ้นคิดมันก็ไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ตัวมันก็ไม่มีความคิดนะตรงนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นกฎธรรมชาตินะคนที่ค้นพบกฎอันนี้ได้คนแรกคือพระพุทธเจ้านะหรือเจ้าจายสิทธรรมคนพบในวันวิสาขาบูชาแล้วก็นำมาสั่งสอนนะผ่านครูบาอาจารย์ นะครูบาอาจารย์ในแต่ละสายงานแต่ละวิธีก็มีอุบายมีรูปแบบนะของการที่จะทําให้ถึงจุดนั้นแต่เพราะนั้นทุกรูปแบบเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันเลยเพียงแต่ว่าเริ่มต้นอาจจะแตกต่างกันออกไปเท่านั้นเองนะตรงนี้แหละนะเป็นสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเรามีของวิเศษอยู่ในตัวเราก็คือความรู้สึกตัว หลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าตาวิเศษตาวิเศษเป็นตาที่สามตาที่สามที่จะมองก็ไปภายในจิตในใจของเราสิ่งที่ไม่มีตัวตนเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ดูเห็นนะฮะแล้วเราก็จะไม่หลงไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่เห็นเราก็จะไปหลงหลงอะไรหลงความสุขหลงความทุกข์คขว่คว้าหาความสุขหลีกหนีความทุกข์ นะตรงนี้เพราะฉะนั้นบางทีเราหนีความทุกเนี่ย <c oughs> เราก็เลยไม่ได้เห็นความจริงความจริงที่มันเกิดขึ้นความทุกเนี่ยเขามาสอนให้เราหาทางออกเหมือนเป็นโจทยนะ์เน่ะเป็นโจทย์อันเนี้ยทุกอย่างเนี้ยนะเราจะออกจากทุกอย่างยังไงความคิดมาเราจะออกจากความคิดยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในจิตในใจเนี่ยนะมันเป็นโจทย์หมดเลยเป็นแบบฝึกหัดนะให้เราได้เรียนรู้ แล้วก็หาทางออกเครื่องมือสาคัญกุญแจสาคัญก็คือกลับมารู้สึกตัวใหม่ๆเนี่ยนะมันก็จะงงๆอยู่มันเป็นยังไงความรู้สึกตัวนะแล้วบางคนก็บอก อ, อแค่รู้สึกตัวแค่เนี้ยเหรอจริงๆมันไม่แค่นี้หรอกความรู้สึกตัวใหม่ๆมันก็จะ <c oughs> <c oughs> เป็นความรู้สึกตัวที่อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นักนะแต่เมื่อเราทาให้มันต่อเนื่องเนี่ย พอเราเห็นความคิดที่มันหยับหยาความรู้สึกตัวมันจะรู้ทันพอรู้ทันความคิดมันก็จะพัฒนาเป็นความคิดที่ละเอียดกบไปตัวสติมันก็จะพัฒนาไปอีกเรียกว่า <c oughs> ตรงนี้มันจะเกิดการพัฒนาเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยลหลวงพว่อคำเขียนไกยพูดว่ามันเป็นทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเรียกว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยเป็นเครื่องมือได้เลย เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> ที่เราสาทยายมปเปื่อมสังคู่เ็าบอกเป็นทางสายเอกทางสายเอกที่จะออกจากความโศกสร้างร่ำไรรำพันความทุกข์ความโทมนัสนเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือสติปัฏฐานนี่เองสติปัฏฐานสึ่งรูปแบบของการปฏิบัติที่วัดป่าสุขโตก็มีความชัดเจน นะทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบเพียงแต่ว่าเรามีศรัทธาหรื อ, อยังและเมื่อมีศรัทธาแล้วเราเพียรลงไปหรื อ, อยังเราก็ทำลงไปหรื อ, อยังนะ <c oughs> เราได้ยินได้ฟังแล้วพอใจอดีแต่เราไม่ทามันก็ไม่ได้ประโยชนนะ์ก็เพียงแต่ประโยชน์ว่าเออรู้สึกดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น การศึกษาการเรียนรู้ในทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าศิกขาเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่ารู้จำแค่นั้นเมื่อจำได้แล้วต้องทําคําว่าสิกขานี่ต้องประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่จะต้องปฏิบัตินะเป็นปฏิบัติการลงไปลองผิดลองถูกนะเรียนรูนะ้อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเรา ทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดีเช่นความง่วงใหม่ๆเนี่ยคนที่ฝึกมันง่วงมันมาไม่ถูกเวลาตอนกลางวันมันง่วงแต่ตอนกลางคืนถึงเวลานอนมันไม่ง่วงตาแจ้งเลยตรงนี้เรียกว่ามันมันมาไม่ถูกเวลาเพราะฉะนั้นสติจะเป็นตัวจัดระเบียบกลางวันเราจะไม่นอนมันง่วงแค่ไหนก็ไม่นอน เป็นแต่ละป่วยเอออันนี้ก็ว่าไปอย่างหนึง่งถ้ากลางวันนอนเนี่ยมันจะสร้างนิสัยความขี้เกียจกลางคืนก็นอนแล้วอ่ะกลางวันยังนอนอีกนะเช่นเวลาว่างๆไม่มีอะไรทํานะเราก็นอนอันนี้มันจะสร้างนิสัยเพระาะฉะนั้นคนที่มาอยู่วัดเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกเรื่องนี้นะมันกลับไปมันก็ยิ่งกว่าเดิมนะยิ่งกว่าเดิมคือแต่ก่อนเราไม่เคยนอนกลางวันนะแต่พอมา อยู่วัดมาบวชก็ดีมาปฏิบัติก็ดีไม่มีอะไรทำก็นอนนะอย่างที่ก็บอกอะไรอ่ะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมเช้าเองเพนนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัด <c oughs> นะเรียกว่านอนกันทั้งวันเนการนอนเนี่ยนะมันไม่รู้จักอิ่มหรอกแล้วนะมันมีอยู่สามอย่างนะของที่ไม่รู้จักอิ่มหนึ่งการนอนสองเสพกาม นะเรื่องผู้หญิงผู้ชายร่วมเพศเนี่ยแหละมันไม่รู้จักอิ่มขนาดแค่แนละ้วมันยังไม่ปล่อยไม่วางนะบางคนนะแลนที่สมก็คือความอยากตั้นหานะถ้าเราไม่รู้จักพอนะไม่มีสติเนี่ยมันก็จะหลงนะแล้วก็ไปหลงกับความสบายความสุขความสนุกสนานนะแล้วคิดว่าอันนั้นนะ่ะคือเป้าหมายของชีวิตนะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเกิดมาเพื่อที่จะ กอบโกยความสุขแสวงหาความสุขจากการได้ได้กินได้เที่ยวได้เล่นนได้ไปที่นู่นที่นี่นะไอ้นั่นก็เรียกว่าความสุขสนุกสนานเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆนสุดท้ายมันจะเหนื่อยนมันจะเหนื่อยแล้วเราก็ต้องเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งเหล่าเนี้มากมาย เป็นความสุขที่จะต้องไขว่คว้าต้องสแสวงหาต้องสูญเปลืองพลังงานก็ดีซับเงินทองก็ดีแต่มันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขชนิดนี้มันมีอยู่แล้วในใจเราก็คือความเป็นปกติของใจซึ่งเราจะสัมผัสได้นะเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเช่นนะนี้เนี่ยถ้าไม่งกง่วงนะไม่ซึมเศร้านะ สังเกตดูใจมันปกติเฉยๆใช่ไหมอันนี้เป็นความสุขที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติความสุขชนิดนี้เนี่ยนะถ้าเราสัมผัสมันเรื่อยๆเนี่ยนะเป็นความสุขที่ยั่งยืนเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปสร้างนะมันมีอยู่แล้วธรรมชาติเขาให้มาพูดง่ายๆเป็นของขวัญที่ธรรมชาติให้มาแต่เรามักก็ไม่รู้จักเรามักจะหลงลืม เราไปสแสวงหาวิ่งหาความสุขจากข้างนอกจากวัตถุ ก, ก็ดีจากบุคคลก็ดีจากสิ่งแวดล้อมก็ดีมันได้โชคครั้งโชคคราวเท่านั้นเองเอาเป็นแก่นเป็นสารเอาเป็นหลักไม่ได้มันไม่ยั่งยืนแต่ความสุขที่เป็นความปกติของใจเนี่ยไอเนี่ยพึ่งได้ไอนี่ยั่งยืนเพราะมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรา พยายามที่จะ เ, เรียกว่าถากถางความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆที่มันหมดบดบังนะก็เรียกว่าเป็นมายาภาพเป็นความมืดที่มันบดบังจิตใจที่เป็นปกติธรนะรมาชาติของใจมันจะส่องสว่างเขาบอกเหมือนพระอาทิตย์นี่แหละมันส่องสว่างแต่ที่มันมืดหมัวเพราะมันมีกิเลสจรมานะเหมือนกับเมฆหมอกมันมาบางัง นะอย่างอย่างช่วงที่ฝนตกมีเมฆมาบางัง เ, เราบอกว่ามันมืดเนี่ยพระาทิศมันมืดใช่ไหมไม่ใช่เมฆมันมาบางังแต่พอเมฆมันเลื่อนมันลอยไปพระาทิตย์ก็แสดงความสว่างสวัยออกมาใจเราก็เหมือนกับพระาทิตย์นั่นแหละนะเพียงแต่อารมณ์ก็ดีความคิดก็ดีกิเลสมันจรมาปิดบังช่วครั้งช่วคราวมันไม่ได้มาตลอดหรอก บางคนบอกโอ้มาวัดไม่ได้มาปฏิบัติไม่ได้กิเลสมันเยอะว่ามันมีที่ไหนเรากิเลสมันไม่มีมันมีเป็นครา้งคาวเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ทันมันเราก็ไปหมกหุ่นคุ้นคิดเราหลงไปนะเพราะนั้นการที่เรามาเรียนรู้มาฝึกฝนนะตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราได้สัมผัสความสุขที่เกษมสารความสุขที่ยั่งยืนนะความสุขที่เป็น ความเป็นปกติของจิตใจนี้เองเป็นความสุขที่เกิดจากการออกจากความคิดออกจากความทุกข์ไม่ใช่ความสุขที่ไปวิ่งหาความสุขที่มีอยู่แล้วนะความสุขชนิดนี้ดื่มดับไดนะ้ไม่ต้องไปอะไรอยา่างเขโฆษณาความสุขที่ดื่มได้ใช่ไหอกินแล้วก็เมาคนเราก็แปลกนะไปช้างมันเหยียบเหยียบเหยียบหน้าบงให้สิงมันเหยียบหน้าบังนะ แล้วก็เมากันเมืองไทยเนี่ยนะน่าเสียดายมากเป็นเมืองพุทธแต่เจ้าของบริษัทสุราเบียก็ดีเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอ่ะมันหมายความว่าไงอ่ะคนก็กินกันทั้งเมืองอ่ะดิคนกินกันทั้งประเทศอ่ะดิไม่ได้โอกาสไม่ได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาไม่ได้เอาสิ่งนี้ไปใช้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะที่ เป็นเมืองพุทธเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแต่คนยังติดเล่าติดบุหรี่ติดยาเสพติดนะมีการก็ออาชญากรรมมากมายอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะว่าเราได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาแค่ไหนนะนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ <c oughs> นำมาเล่าสู่กันฟังเนะาะเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ย นะโอกาสที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากนะเขาบอกว่ายากอย่างไรถ้ามองกันในแง่วิทยาศาสตร์นะขออภัยนะอสุจิของพ่อเนี่ยนะจะไปผปสมกับไข่ของแม่เนี่ยสองล้านตัวเนี่ยตัวหนึ่งในสองล้านนะ่ะที่มันไปเจาะไข่แล้วมันจะกลายเป็นตัวคนขึ้นมาอันนี้มองในแง่วิทยาศาสตร์ถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่า มีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งนะอยู่อยู่ในมหาสมุทรนะอร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วที่มหาสมุทรเนี่ยมีแอกนะที่เป็นเป็ น, เ, ปนเหมือนเป็นบ่วงนะถ้าเต่าตัวเนี้ยโผล่แล้วมาได้เข้าบ่วงพอดีนั่นหะละจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นคนเพราะนั้นมันยากมากเนี่ยเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ย เราก็ต้องใช้โอกาสนะของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาเนะี่ยมาเรียนรู้มาฝึกฝนเรื่องนี้ซึ่งเป็นสุดยอดนะเรียกว่าเป็นวิชาสุดยอดในการที่จะออกจากความทุกข์และเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของออพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของพระอาราหันต์ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่ต้องสร้างสมบา ร, รมีม า, มามากมายเป็นเรื่องของค น, นธรรมดาธรรมดาที่มันมีความทุกข์อ่ะ และเราก็จะออกจากความทุกข์อ่ะนั่นเป็นเรื่องที่เราสามารถจะทำได้เพียงแต่ว่าเราเชื่อไหมล่ะแล้วเรามีความเพียรไหมล่ะเราตั้งใจที่จะทําทลงไหมล่ะแล้วเราก็พยายามที่จะฝืนฝืนความเคยชินความรักสบายนะลำบากสักนิดนึงนะแทนที่เราจะปล่อยตัวตามสบาย วัดป่าสุโกโตเนี่ยนะสบายจริงนะอากาศก็สบายอาหารก็สบายที่อยู่ก็สบายตรงเนี้มันจะทำให้ติดและเราก็จะไม่ได้ฝึกฝ น, นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเรามาห้าวันเจ็ดวันสามวันหรือบางคนมาบวชชั่วคราวถ้าได้อันนี้ติดเนื้อติดตัวไปมันก็จะเป็นประโยชน์นในการที่เราจะไปใช้ชีวิตต่อไปอย่างน้อยๆก็มีหลักในใจนะ มีเครื่องมือที่เราจะใช้ในการอยู่กับโลกนะซึ่งโลกเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันร้อนมากๆนะเป็นโลกที่เราต้องมีจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็มีสตินะไม่หลงไปกับโลกนะตรงนี้เราก็จะทาให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความเป็นปกติสุขทั้งในส่วนกายและส่วนใจแล้วก็ได้พบกับความสุขเกษมสารนะที่มีอยู่แล้วในจิตในใจของเรานะ วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงอคุณของพระสีรัตนตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือสติสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระธรรมคือจะจะทำความจริงที่แสดงปรากฏทั้งภายในและภายนอกตัวเรานะที่มีความแปรปวนเปลี่ยนแปลง นะไม่คงทนถาวรไม่อยู่ในอำนาจของเราและพระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการเรียนรู้การฝึกฝนนะด้วยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญาด้วยสิ่งเหล่านี้แหละนะก็ขอให้เป็นพระวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่สุด ในชีวิตนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร